อุทิศนาทิฐานคาถา น, นามยังอุทิศนาทิธานคาทายพนามเสอิมินาปุญญกามเมนาด้วยบุญ น, นี้อุทิศให้ อุปัชชายกุณตราอุปัชชาผู้เลิศคนอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชา ศูนย์านและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาธรรมม า, มาราจอินทาจาพรหมมารและอินทราชโลกาปาลาจเทวตานทั้งถวยเทพ และโลกบาลยาโมมิตามานุสชาจาโย ม, มาราชมานุ์มิตรมาชาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขีฮโุนโตูขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้า<ะ>อย่าทุกทน ปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอัมหน่วยสุภผลสุขขังจติวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างลลนเก็บปังปาเปถาวมะตังให้รู้ถึง น, น, นิพาน เิมินาปุญญกรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปาหางสุลเพเจเวาเราพรันได้ซึ่งการตาดัดตัณหุป า, าทานเชตนาตัวตัณหาอุปาทาน เยสันตาเนอินาธรรมะสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสะพัธาเยวามาลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภาเเภาเเอถูกทุกพบที่เราเกิด อุจจตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทังปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิรยามีนาพร้อมทังความเพียรเลิศเป็นเครื่องขุดกิเลสหายมาราลาพันตุโนกาสางัง โอกาสอย่าพึ่งมีแก่หมูม่มารสิ่นทั้งหลายกาตุนจากวิริยสุมเมเป็นช่องประตุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาทิพวโรนาทพระพุธภูบอรวรนาฏ ธรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปาเจกพุทธโจาพระปาเจกพุทธโสมสร้างโคนาโทตโรมมังโทพระโส์ที่พึ่งพยองเตโสตามานุภาเวนาด้วยานุภาพนาน มารกาสังละพันตุมาขอหมูม่มารอย่าได้ช่องทาสาปุญญาณุภาเวนาด้วยเดชบุญทางสิบปองมารกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิ